เกาะพุ่มเล็กๆเง น, น, นะเกิดรู้สึกอึดอัดเวลาพูดแต่ละครั้งเวลาขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการอึดอัดอยู่ในตัวแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องทำหน้าเศร้าๆไม่เกรงใจคนพิการเลยปล่อยคนพิจาร์นั่งยิ้มอยู่ได้ล้วคนฟังทาหน้าเกลียดชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาชีวิตไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลง บาที่อาจจะไวบ้างช้าบ้างพบเองนี่แต่ก่อนเป็นนิสิตนักศึกษาก็มีความฝันนี่อย่างหนึง่งอยากจะเรียนให้จบความฝันใกล้ๆนะในระหว่างเรียนเนี่ยก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติสูงสุดแค่ทีมชาติกับพอจแลชีวิตนี้ให้ติดธงชาติว่าไทยแลนด์ที่จริงเขาก็มีอยู่นะติดได้แต่เราไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติเราไม่กล้าติด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 เราทำํำในสิ่งที่เราชอบการเรียนมันก็เลยสําเร็จได้ไง่ายๆก็ทั้งสอบบรรจุเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยภาษาอีกโอ้ประสบความสเร็จมากแต่ว่าในทางโลกก็แค่นี้พอแล้วพอแล้วแต่พอเริ่มทํางานเนี่ยเมันก็มีฝ่ายฝันไปอีกแบบมันก็เลิกจากไอ้อุดมคติเดิมเนี่ยมาตั้งเป้าหมายแบบใหม่โอ้เราทํางานเนี่ยเราต้องทํางานได้ดีที่สุด จะตั้งใจทํางานจะไม่ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาถือสุภาษิตด้วว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อนลําบากซิก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือไม่ใช่ค่อยตายเมื่อปลายมือนะเมื่อก่อนก็กคิดหงั้นนะตอนหลังนะลําบากอีตอนที่เริ่มต้นทํางานก็เป็นอย่างเนี้ยแต่พอทํางานแล้วเนี่ยโอ้เรายัางใช้คติเดิมครึ่งเดียวเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อน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 อันนี้คือความฝ่ายฝันเป็นความหวังแต่ว่าก็พยายามที่จะสร้างความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาก็ไปได้ไม่ตลอดนะจนกระทั่งทำงานได้สามปีก็ประสบบทเหตุเริ่มละเริ่มมีความไม่เที่ยงของชีวิตละขณะที่กำลังสอนใบน้ำกระโดดน้ำลงไปเนี่ยเกิดพลาดท่าศีเ ส, สาไปถึงพื้นก้นสะก็มีผลทำให้กระดูกเนี่ยหักคุณหมอก็แก้ไขไม่ได้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 ในสภาพที่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยหาความสุขไม่ได้สุขก็สุขแบบกบเกลี่อนพวกเราเคยไหมเวลามีความทุกข์นี่ก็ไปดูหนังฟังเพล ง, งหาสิ่งอื่นมากรบเกลี่อนทุกในใจเราคนทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละทําไมเราจึงอยู่กับตัวเองไม่ได้ไเพราะมันมีความทุกข์ความเหงาจึงต้องหาสิ่งอื่นมากบเกลี่อนผมก็เช่นเดียวกันแต่สภาพสังผมที่มันหาไม่ได้แล้วมันหมดสนุกแล้ว ม, มันเซ็งหมดแล้วไม่ใช่ว่าอิ่มนะ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 โอ้โหอุตสาหเก็บความโกรธไว้ต้องคืนหนึ่งตอนเช้าอดทนอีกสั ก, กวันนึ่งนะต้องไปต่อว่าไหมเพราะเราไปเชื่อความคิดแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้ทันในความคิดอยากหรือไม่อยากถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยจะเป็นอิสระเลยจะออกมาดูว่าความอยากนี้มันเป็นประโยชน์กับเราไหมมันให้โทษกับเราหรือเปล่าเราควรจะทำตามความอยากได้ไหมหรือพราะความโกรดเขาที่บอกว่า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 จะคิดดีหรือไม่ดีก็ตามให้รู้ทันไว้ให้รู้เฉยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ความคิดน่ยจะค่อยสลายไปการรู้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการไม่เข้าอยู่ในความคิดมันออกมาเป็นผู้ดูแล้วนะออกเป็นผู้รู้แล้วแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็จะเป็นอิสระนะอยู่เหนือความคิดก้อนนีก็จะหายไปการทําความรู้สึกตัวทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยเหมือนกับเป็นการเลี้ยงแมวเอาไว้ เรียงแมวไว้ทำไมเอาให้มันจับหนูใชมไหมแมวกับหนูนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไม่มีแมวกับหนูที่ไหนมันจู่จีกันหนูมันกลัวแมวแมวมันชอบจับหนูก็มีแมวบางประเภทอะไป็พวกแมวคิดมากอย่างแมวโดนเลมอนเนี่ยไอ้มันกลัวแต่หนูมันไม่กล้าจับหนูหรอกเพราะะนั้นทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นการให้อาหารแมว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 การพูดจาเนี่ยจะอ่อนน้อมถ่อมตนบางครั้งเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมีทำคนหนึ่งที่ว่ามักจะทําไม่ค่อยได้ก็คือเวลามีใครเขาประสบผลเสด็จในชีวิตประสบผลเส็จในหน้าที่การงานเราไม่ค่อยจะโปรยพอหรือยินดีด้วยความจริงใจหรอกขอแสดงความยินดีด้วยบางทีก็พูดไปอย่างนั้นอะแต่ใจไม่ค่อยแสดงเหมือนอย่ามีการมีความอิจฉาริษยายในตัวไม่ค่อยแสดงความยินดี แต่เวลาคนเราเนี่ยมีปัญหาชีวิตต้องการความช่วยเหลือเรามากักจะชอบช่วยเหลือชอบช่วยเขาแต่ไม่ค่อยแสดงความยินดีเมื่อเขาได้ดีอันนี้เกิดจากคุณธรรมส่วนหนึ่งหายไปคือความอิจฉาเสียาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแทนคุณธรรมที่จะพลอยยินดีเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นสังเกต ด, ดูไหมบางทีก็ตบมือไปองั้นแ่ละแต่ในใจนี่ไม่สะาบซึ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เวลาใครประสบผลส็จในชีวิตจะไม่รีรอที่จะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือมีความเมตตากรุณาเห็นใครเดือดร้อนก็ไม่รีรอที่จะช่วยเหลือเ็าคุณธรรมของคุณพยาบาลก็อะไเมตตากรุณาอันความกรุณาปรานีจะมีใครมาบังคับก็หามับางทีก็ต้องบังคับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสติ จะเกิดคุณธรรมก็เนี้มาจากน้ำสายใจจริงไม่ต้องเสแสร้งมันเป็นไปเองนะของมันเป็นเองได้เพียงแต่เรามีความรู้สึกตัวมือสติเนะี่ยมันเกิดขึ้นเองคนบางคนเนี่ยในชีวิตเนี่ไม่เคยให้ใครเลยไม่เคยมีอะไรให้ใครเลยมีแต่ขอเขาเห็นแก่ตัวเพราะเราว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากไม่เคยให้ใคร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 คว้ามือฉันนี่คว้ามือฉันนี่โอ้พ่อค้าบอกคว้ามือฉันนี่เลยคว้ามับเลยไอความที่ไม่เคยให้ใครนะเขาก็บอกยื่นมือมา น, นี่ไม่กลา ย, ยื่นเดี๋ยวต้องให้เขาพอเปลี่ยนว่าคว้ามือฉันนี่โอ้ยื่นรับเลยฉลาดนะหนุ่มคนเนี้รู้จักอุปนิสัยใจคอเขาจะบอกว่าคนที่ชอบให้เนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่รักของคนที่ชอบขอ แต่คนที่ชอบขอนี่มักเป็นิ่ที่น่าราังเกียจคนที่ชอบให้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสติอยู่กับตัวเราเนี่ยคุณธำรามข้อนี้จะมีขึ้นมากคือชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบเสียสละมักจะมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมองอย่างไรคือมองในด้านบวกมากกว่าด้านลบชีวิตเราในมีบวกมีลบเวลามีความสุขอ๋อชีวิตเป็นบวกมีบุญ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 ต้องทํางานหรือตอนนี้ก็บางคนก็เจอแล้วอุปสรรคพยายามพลิกจิตมองในแง่ดีปะ่ะอุปสรรคนันจะดีปัญหานั่นดีมันเป็นสิ่งที่ท้าทายถ้ามองว่าปัญหาคือสิ่งท้าทายการท้าทายเนี่ยทําให้ติดกระตือหรือล้นนะพวกเราคิดอย่างนั้นไหมถ้าบอกโอ้แย่แล้วเราทอแท้เนี่ยมันไม่กระตือหรือหรอกมันหงายเหงาคนซึ่นเต้าเพราะว่าทอแท้กับอุปสรรค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 ถ้ามาเปลี่ยนใหม่โอไม่เป็นไรแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้กันแล้วกันก็สายการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะคิดว่าโอ้ชีวิตนี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อสู้จะต้องมาท้อแท้เปลี่ยนเอาปัญหาอุปสรรคเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ซะเลยปัญหามันมีมากนักเรียนรู้มันอาศัยสติเนี่ยเรียนรู้มันเรียนรู้จากชีวิตเรียนรู้จักใช้ปัญหาเรียนรู้เพื่อเกิดความรู้เกิดประสบการณ์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 มันเป็นการท้าทายคนจะท้าทายนั้นมันต้องมีสติต้องมีสติล้วจะท้าท า, ายได้มอโร่ได้ง่ายดีได้ที่สำคัญก็คือการที่กลับมาดูตัวเอง บ, บ่อยๆย้อนดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยทำให้ชีวิตมีความสุขชีวิตจะมีความสุขได้ต้องมาทำความเข้าใจกับตัวเราด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้เท่าทันปัญหาแล้วก็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 วิยาที่เราเรียนมาเนี่ยมันช่วยใจเราไม่ได้เลยไม่เปประโยชน์สำหรับเราเลยในยันที่เรามีความทุกข์สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไรสาระมากจนทั้งเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โอ้เราจะมาทุกข์ทำไมเราลองหาถ้าออกดูซิวิชาการที่เราเรียนมาเนี่ยมันใช่ไม่ได้ก็หาวิช า, าใหม่หาวิชาการมาดูตัวเองเนี่ยไม่ว่าการปฏิบัติธรรมก็ได้ให้มารู้จักตัวเองคือการแก้ปัญหาจิตใจเรา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 ป อ, อวางได้โดยการเจริญสติทําความรู้ตัวแบบเนี้จิตก็เป็นอิสระเนี่ยแม้ร่างกายมพิการอยู่เงนี้แต่จใจก็เป็นอิสระได้จากความพิการพอเริ่มเข้าใจตัวเราเข้าใจถึงความคิดนึกของเราอย่างในในโรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกแผนกหนึ่งเครื่อแผนกของให้เหมือนเดิมอะก็กายภาพบําบัดเนี่ยพู้คนเข้ามาใช้บริการในรแผนกเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเดิมอะ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 จิตเดินไปจิตที่แย่มากมีแต่ความโลภความโกรธความหลงแต่ความรู้ตัวเนี่ยบําบัดจิตให้ดีกว่าเดิมเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสกว่าเดิมยิ้มได้แต่ก่อนยิ้มแมยบแย่แต่พอบําบัดจิตแล้วเนี่ยโอ้ธรรมโอสถช่วยได้ ห, ไหมยายดูแลพระประโยชน์ได้ไหโอ้หมอกำลังปั๊มอย่างเลยหมอชาวบ้านนะนวดบ้างบีบบ้างดัดตนเป่าบ้างสารพัดอย่างไม่เหมือนเดิม เเจ็บตัวด้วยแล้วเหน็ดเหนื่อยด้วยเสียเงินเสียเวลาไมาย่ยอมเหมือนเดิมแต่ธรรมะเนี่ยสามารถทำให้จิตใจเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมได้ชีวิตทุกวันเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวเท่านั้นถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนะจิตก็จะคิดฟุง้งซ่านอดีตอนาคตอาจจะเป็นโรคจิตโรคประสาทไปแล้วก็ได้แต่อยู่ได้ก็เพราะความรู้สึกตัวเนี่ยรักษาจิตใจไว้ให้เป็นปกติมีประโยชน์ตัวเนี้ย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 ให้รู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่การมาอยู่กับความรู้กตัวเนี่ยทําให้จิตใจมันไม่เลื่อนลอยไปไหนแล้วมันเกิดความขยันนะถ้าเราอยากจะขยันเนี่ยให้เรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆมันจะขยันมันจะกระตือรือร้นผมเองนี่แต่ก่อนไม่ค่อยได้ช่วเหลือตัวเองเท่าไหร่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคุณพยาบาลก็ให้ทํากายภาพบําบัดก็ทําไปอย่างนั้นน่ะพอเขาเปิดเลยเขาเจ้าคุยกัน เวลาเราทํากายภาพเขาหันไปคุยเวลาเขาคุยกันเราก็ไม่ทําแต่พอเขาหันมาดูด้วยมารยาทแล้วก็ดึงสักหน่อยดึงลอกตามกายภาพเพราะงานที่เราทําเนี่ยเป็นงานที่เราไม่ค่อยชอบแล้วก็มันไม่เขาเลยไม่มีฉันทะว่าทําไปทําไมทําแล้วก็เดินไม่ได้มันคิดมากแต่พอเรามาทักความรู้กตัวเนี่ยมันเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของงานที่ทํามันก็เกิดความขยันเหมือนกันโอ้ขยันจิตสติขยันพยายามช่วยตัวเอง มีหลายอย่างที่เราคิดว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้หรอกอย่างคนพิการอย่างเงี้ยการพลิกตัวเนี่ยมันพลิกตัวไม่ได้มันลำบากแต่เราพยายามหาทางที่จะพลิกตัวเองช่วยเราตัวเองอย่ไหมคนเป็นอัมพาตเนี่ยถ้านอนนานๆก็จะเป็นแผล ก, กดทับใช่หมต้องพลิกตัวบ่อยๆถ้าญาติเข้าใจใส่ดูแลก็พลิกได้แต่ถ้าเขาไม่ว่างเราจะทำอย่างไรเราก็พยายามช่วยตัวเราเอง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 ปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตัวเองแท้ๆเคยแบ่งปันให้กับคนอื่นบอกลองไปดูสิเวลาปวดปัสสวะลองไปดูสิว่าเส้นเรหิตใหญ่เนี่ยมันหดตัวไหมมันมีอาการหัวใจเต้นเร็วหรือเปล่าหรือใบหน้าร้อนไหมลองดูสิโอ้มีหลายคนพยายามไปทํานะแต่เวลาไปปวดจริงมวยทําให้เสร็จไม่เคยมาดูว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นนะเวลาทานอาหารที่มันใส่ผงชูรสมากมีสารปนเปื้อนร่างกายเขาจะบอก เขาจะบอกเราแล้วเราจะเริ่มเข้าใจบางทีเราหาสาเหตุไม่ได้เพราะเราไม่ได้มาดูตัวอะไรเองการมาดูตัวเราเองเนี่ยจะเริ่มเข้าใจตัวเราแล้วก็สาเหตุที่เกิดขึ้นเราจะรู้เลยและแก้ปัญหาและป้องกันได้ด้วยเนี่ยมีประโยชน์ตรงเนี้เนี่ยก็นอนปฏิบัติอยู่งี้หละมันเลยเกิดความเข้าใจแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยเราทําหน่อยไหมไหนลองทําสิเราทำความรู้สึกตัวนั่ง ส, สบายๆเราเอามือวางไว้ที่ขาเนี่ยจะบอกวิธีการทําความรู้สึกตัว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 หายจะออกรู้สึกแล้วนะลองทําอีกทีหนึ่งดิลองถูนิ้วมือเบาๆเอานิ้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกกันเบาๆนิ้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกกันเบาๆแล้วก็รู้สึกสังเกตดูเราจะรู้สึกที่มันเบาๆจะมีทั้งสมาธิมีทั้งสติและมีความผ่อนคลายตามมาเลยถ้าทําต่อเนื่องกันนานๆนะเราจะเริ่มเข้าใจตัวเรา มันจะไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราจะไม่เชื่อความคิดละจะไม่เชื่อความคิดที่มันปรุงแต่งแต่จะเชื่อความคิดที่เราตั้งใจคิดขึ้นมาอันเนี้ยมันจะทาให้เราผ่อนคลายตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเหมือนคนคนเดียวกันเลยจะมีความสามัคคีมากที่สำคัญ ก, ก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังแม้ทั้งคนพิการบอกให้ทำเนี่ย โอ้เนี่ยแสดงว่าคุณธรรมข้อนี้ดีมากเลยเพรา ะ, ะนั้นเราลองใช้ชีวิตแบบเนี้ยแบบรู้สึกตัวอยากเคลื่อนไหวฟรีๆอยาทุกฟรีๆให้มีสติรู้ด้วยชีวิตรเราเนี่ยต้องทำสองอย่างคือหนึ่งใช้ชีวิตแปลการทำหน้าที่หน้าที่ต้องทำหน้าที่ของลูกหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีของครูอาจารย์ทำหน้าที่ดีที่สุดเลยเป็นหน้าที่ภายนอก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 จะไม่เศร้าหมองทุกใจจะไม่เกิดขึ้นความวุ่นวายใจความลารลอนใจก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทำหน้าที่ด้วยความรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยนะได้บุญทั้งวันถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องเข้าวัดเราอ้างว่าเราไม่มีเวลาหรอกจะไปวัดไปทาบุญไม่ต้องก็ได้ถ้าไม่มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยเป็นการทาบุญแล้ว เป็นบุญขั้นสมงสุดในทางพุทธศาสนาเลยทำตรงนี้งานก็ได้ใจก็ดีโรคก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เตียใช้ได้ตลอดเลยเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเราไปใช้ในชีวิตประจำวันยอย่างโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้อ ง, องเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆมากมายอย่าประมาทนะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตสาวๆหนุ่มๆก็ต้องมีความรักไอ้ความรักนี่แหละ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 ป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขบางทีการแก้ปัญหานีนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุบาทีแก้แล้วไม่เหมือนเดิมผมนี่แก้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยแต่การป้องกันไว้ก่อนเนี่ยว่าเป็นการปลอดภัยมากเอาละนะมีใครจะถามอะไรไหมอาารคะมีคาถามนะคะสักสองคำถามคำถามแรกนะคะถามว่าการทำความดีนี้ยากส่งผลทาให้เกิดความท้อถอย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 การธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าโอ้การทําความดีนี่ยากมากทําความช่วยนี่ง่ายมากบางคนบอกโอ้ทำช่วนี่ยากมากทําดีนี่ง่ายมากถูกทั้งคู่นะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็นคนที่ใยดีอันทําทความดีนี่ก็ง่ายมากใช่ไหมขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญท้ายความสําคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากในิใจเรานี่พูดถึงว่าการทําความดีเนี่ยถ้าจะมองถึง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 ช่วยผ่อนช่วยคลายความทุกข์จากเขาเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญมากเลยโรงพยาบาลคือโรงทําบุญเนี่ยการขึ้นเวรแต่ละครั้งก็เป็นการขึ้นบุญไม่ใช่ไปขึ้นเวรเนี่ยขึ้นบุญทํางานที่โรงพยาบาลนี่โหบุญนี่เกลื่อนเลยนะบุญรอคิวเป็นแถวรอรับบัตรรอรับยาเนี่ยบุญรอแล้วบางทีบุญเดินชนกันยิ่งเข้าไปในห้องคนป่วยข้างในเนีโหบุญนอนคันนเกลื่นเลยบุญทางนั้น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 อย่าไปฝากคิดไ้กับเขาอย่าตอแท้นะเรื่องของความดีความทุกเนี่ยแหละมันเป็นประธานเลยนะเป็นประธานสําคัญเลยในงานพิการของผมเนี่ยพอเกิดความทุกเนี่ยเราไม่รู้จักยอมรับเราไม่มีวิธีการคิดเราไม่มีวิธีการคิดที่ถูกต้องพอทุกปับ๊บคนเราจะมองชีวิตไปในแง่ลบเลยถูกไหมโอ้ทาไมถึงต้องเป็นเราเนาะโทษ ส, สิ่งนู้นโทษสิ่งนี้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 หาทางออกด้วยการปฏิบัติธรรมตอนแรกแก็ท้อแท้ไปเอ๊ะเราปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกเราไปอยู่วัดไม่ได้เป็นคนพิการแต่ลองทําดูทดลองทําดูนี่พอลองทํานี่มันก็ได้ที่พอเริ่มต้นก้าวเดินเนี่ยมันก็เริ่มเดินเป็นสมมตินะการปฏิบัติพอเริ่มทําความฉุกตัวมันเริ่มรู้จักตัวเราเห็นไหมพอเริ่มรู้จักตัวเราเนี่ยมันก็เลยเข้าใจชีวิตเห็นความจริงของตัวเรา ด้วยการเริ่มต้นจากคิดและก็ทำความคิดให้เป็นความจริงโดยการลงมือปฏิบัติทุกคนย่อมมีความฝันมีความหวังแต่ความฝันหรือความหวังจะเป็นความจริงนั้นจะต้องลงมือกระทำลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะได้พบกับความจริงอุปสรรคมีมากมายแต่อุปสรรคนั้นกลายเป็นสิ่งท้าทายและมันก็ชนะมาเรื่อย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 เป็นช้างศึกวันนั้นเน่ยพระราชาอยากให้ช้างศึกเ ด, เดินผ่านเข้ามาในวงังอยากจะดูว่าช้างศึกของเราเนี่ยตัวไหนที่มันสง่างามมีช้างตัวหนึ่งเดินผ่านประตูเข้ามาตัวที่หนึ่งเดินผ่านไปแล้วตัวที่สองเดินผ่านไปแล้วตัวที่สามเนี่ยเดินแล้วแง่หลังดูว่าหางเนี่ยจะพ้นประตูไหมตัวพ้นมาแล้วนะกลับไปดูหางเห็นไ่มแสดงว่ายังห่วงพวงเลยอยู่เมื่อย่างพวกเราเน่ะ ทำความดีแล้วเอ๊ะมันจะได้ดีอะไรยังห่วงหางตัวเราทําความดีมันก็ดีแล้วทําบ่อยๆเถอะส่วนผลนั้นจะเกิดขึ้นเองเมื่อหัวรอดไปได้ตัวรอดไปได้หาก็ต้องรอดนะทํางานแล้วต้องการเงินเดือนเริ่มต้นทํางานทําไปเถอะเดี๋ยวปลายเดือนเงินเดือนก็มาเองไม่ต้องรอเม่าไหนจะได้มื่จะได้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 อ๋อทําใจสบายสบายโอนิพานก็นขึ้นทันทีเลยถ้าอยากมักจะไม่ได้ถ้าไม่ต้องการเนี่มักจะได้อย่างผมเนี่ยมันพลิกลอง ก, กินชีวิตเนี่ยในตอนที่ไม่พิ ก, การนะผมมีความใฝ่ฝันหลายๆอย่างแต่ไม่เคยได้เลยนะแม้กระทั่งพิการแล้วเริ่มต้นพิการเนยมันก็ยังไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้โอ้ผมมาปฏิบัติธรรมเนี่ไม่ต้องการแล้วโอ้เต็มเลยไอ้นี่ไม่ต้องการเนี่มันก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีนะทําแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะเป็นอิสระเหนือบุญเหนือบาสเหนือสุขเหนือทุกจิตอิสระทําความดีแล้วอยากได้ผลดีอันนั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นทําความดีเพราะมันดีพอแล้วอันนี้จิตอยู่เหนือดีทําได้ไหมทําความดีเพราะมันดีทํางานเพื่อ ง, งานท่านเองส่วนผลก็จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย ค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะมีน้องๆหลายคนยังไม่เข้าใจคําว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีอย่างไรคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะอ๋อเยอะเลยนะผลการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีมากเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอย่ามองว่าจะต้องเป็นการไปเข้าวัดไปบวชอันนไปนเพียงแ้ารูปแบบถ้ามีโอกาสก็ไปเถอะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมาศึกษาตัวเรามาศึกษาตัวเรามาเข้าใจตัวเราธรรมะคือตัวเรานั่นเองคือกายคือใจของเราเข้าใจเรื่องของร่างกายเข้าใจเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นโดยการมีสติดีไม่มีสติเนี่ยไหนก็ว่าการมีสติไม่ดีบ้างใครว่าการมีสติไม่ดีบ้างมีสติเนี่ยมันดี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 แต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ไม่ทุกคนเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทางความแก่ทุกคนต้องแก่ตอนเนี้ย ว, ว่าเราไม่แก่แต่ท่านก็แก่แล้ววัยแปลว่าความเสื่อมหนูวัยเท่าไหร่คนสวยเนี่ยวัยเท่าไหร่เท่าน้าแสวยไม่รู้ตัวไงไวัยเท่าไหร่ครับโอ้สิบเก้าเนี่ยวัยสิบเก้าเนี่ย แกไปแล้วสิบเก้านะถูกไหมไว้เ่าความเสื่อมคนเราทุกวันเนี่ยเสื่อมไปทุกวินาทีทุกวินาทีเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยจนถึงร้อยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะแก่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะทุกคนก็ต้องเสื่อมเท่ากันต้องเข้าใจตรงนี้ใช้ชีวิตกับความเสื่อมไม่ถูกต้องเราจะต้องตายในความมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความตายซ่อนอยู่นะถูกไหม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 ธรรมชาติรู้เท่าทันตัวเราและก็รู้เท่าทันคนอื่นด้วยอันนี้มีประโยชน์มากอันนี้พูดโดยรวมนะส่วนประโยชน์ย่อยมีอีกมากมายคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์พอดีพิธีกรได้พูดถึงการฟังธรรมอะคะ่ะว่าเป็นการมาร่วมทําบุญจะเรียนถามอาจารย์หรือว่าให้อาจารย์ช่วยขยายความคําว่าการฟังธรรมแล้วได้บุญอย่างไรอะคะ่ะคำว่าบุญนะ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 แล้วก็นําไปใช้เป็นประโยชน์ได้ฟังบ่อยๆก็เกิดความเข้าใจ บ, บ่อยๆใช่ไหมบุญเกิดจากการฟังทำแต่ต้องฟังด้วยใจน ะ, อะขออภัยใช้คาว่าอย่าเอาหูฟังเอาใจฟังถ้ า, าหูฟังแล้วก็มันจะผ่านไปถ้าเอาใจฟังเนี่ยมันทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจแล้วก็นําเอาไปใช้